เราเกิดมาพบชาติหนึ่งควรมีเป้าหมายชีวิตให้กับตนเองถึงแม้จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนคนอื่นก็ควรมีเอาไว้ขอเพียงแต่ให้เป้าหมายนั้นเป็นไปเพื่อบุญกุศลไปได้สวรรค์และนิพพานสาหรับเป้าหมายนักสร้างบารมีพันหรวัตตะ คือจะมุ่งสร้างบารมีทุกรูปแบบทุกเวลานาทีเพิ่มมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมมีเป้าหมายแล้วก็ต้องพยายามทำให้สาเร็จแม้จะใช้เวลานานเพียงใดก็จะมุ่งมั่นทำเป้าหมายให้กลายเป็นจริงการมีเป้าหมายจะทำให้ชีวิตมีความหวังเมื่อชีวิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวัง จะทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ า, ารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าจิตใจก็จะมีความสุขตามไปด้วยชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่เกิดมาแล้วก็ได้สั่งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะจ๊ะ มีธรรมภาสิต ท, ที่ปรากฏในเถรคาถาประทานความว่าคนมีปัญญาน้อยคิดแต่จะกล่าวโทษต่อผู้ฟังคำสอนของท่านผู้ชนะมารย่อมเป็นผู้ห่างไกลาจากพระสัทธธรรมเหมือนฟ้ากับดินที่อยู่ไกลกันคนมีปัญญาน้อยคิดแต่จะกล่าวโทษ ต่อผู้ฟังคำสอนของท่านผู้ชนะมารย่อมเสื่อมจากศัตร ร, รมเหมือนพระจันทร์ข้างแรมฉะนั้นการคอยจ้องจับผิดข้อบกพร่องของคนอื่นแล้วนำมาวิจารณ์ให้คนอื่นทราบไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตนักปราช์เป็นการมองโลกในแง่ร้ายเหมือนมีป้าหม่มผืนใหญ่เอาไว้ใช้ห่มกันหนาว มีรอยด่างดำเพียงนิดเดียวก็มัวแต่สนใจจุดดำและนำมาทำหนิส่วนข้อดีของผืนผ้าที่สามารถนำมาห่มกันหนาวได้นั้นน่ะไม่ได้พูดถึงเลยหรือาหนังสือเล่มใหญ่ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมีประโยชน์ และควรจดจำมากมายแต่กลับไปจำตรงที่มีการพิมพ์ตกหล่นเพียงไม่กี่คำอย่างนี้เป็นต้นการจับผิดไม่เคยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีแต่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆใจก็จะไม่ใสเพราะใจเห็นแต่ของเสียบัณฑิตนักปราทั้งหลายท่านสอนให้มองโลกในแง่ดี ให้จับเอาข้อดีของคนอื่นมาสัสนเสริญคนอื่นมีคุณธรรมอะไรก็นำมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราควรหลีกเลี่ยงคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายละหากอยู่ใกล้สิ่งใดมักจะมีแนวโน้มไปตามกลุ่มที่เข้าใกล้เราต้องรู้จักเลือกคบหา สมาคมกับกลุ่มที่มีทัศนคติในการมองโลกที่ดีและเป็นบวกหากเรายังควมวนเวียนและคบค้าสมาคมกับผู้มองโลกในแง่ลบชีวิตก็เหมือนมีสิ่งที่คอยขัดขวางและกระชากลากถูให้คล้อยตามกลุ่มนั้นชีวิตที่มองโลกในแง่ร้าย ไม่มีวันที่จะมีความสุขได้เราจะต้องรู้จักหลีกเลี่ยงที่จะเสวนนาและอยู่ร่วมกับกลุ่มนี้กพ่จะให้ชีวิตที่เราพยายามพยุงไว้เป็นไปได้อย่างมีความสุขในทุกๆสถานการณ์นะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของพระอระหันต์รูปหนึ่งชื่อ ยสะสัตทตะเถระก่อนบวชท่านมีทิฏฐิมานะคอยจ้างจับผิดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพราะสายพระองค์ทรงเป็นยอดกลัลยาณมิตรให้จึงเปลี่ยนนิสัยมาเป็นจับถูกและนำคำสอนดีๆนั้นมาผูกข้หากันทำให้ท่านหลุดพ้นจากอสวกิเลต เป็นพระอระหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเรื่องท่านมีอยู่ว่าในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปฐมุตตระพระยะสะทัตเ ถ, ถระได้ถือกำเนิดในตระกูลพระมามหลังจากเรียนจบวิชาความรู้ของพรหมามแล้วแทนที่จะใช้ชีวิตตามแบบฉบับ ของพราหมณ์ทั่วไปคือการคลองเรือนแล้วก็เป็นเจ้าพิธีกรรมตามงานพิธีต่างๆแต่ความผู้มีปัญญาสามารถสอนตนเองได้จึงได้ตัดสินใจออกบวชเป็นครืีตั้งใจประพฤติพลดบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าตามลำพังแต่เบรศษีที่มักน้อยสันโดษ ไม่คุกคลีดิมูมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายขณะบำเพ็ญนบะอยู่ในป่าตามลำพังนั้นท่านก็ได้เห็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าปัตมุตระสเสด็จหาะผ่านมาทางอาสมดวงตางท่านจ้องมองพระพุทธองค์ด้วยความปีติเลื่อมใสเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาลืมตาดูโลก ไม่เคยเห็นใครที่จะงดงามดังเช่นพระพุทธองค์ประสงไว้ซึ่งลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการอีกทั้งพระราศมีของพระพุทธองค์ก็สว่างสวัยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์เสียอีกด้วยความเป็นผู้ฉลาดในการสั่งสมบุญแทนทีจะมองในความเลื่อมใสเพียงอย่างเดียวท่าน ได้ประคองอัญชรีพนมมือสวดสรรเสริญพระพุธองค์ไปด้วยโดยบุญที่ท่านได้เห็นบุคคลนั้นเป็นสุดยอดแห่งทัศนานุตริยะคือได้การเห็นอันประเสริฐและบุญที่ได้สวดสรรเสริญพระพุธองค์ด้วยความเคารพเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใดในครั้งนั้นทรงผนึกท่าน ท่องเที่ยวอยู่ในสุคติภูมิเท่านั้นคือในเทวโลกและในมนุษยโลกไม่เคยรู้จักทุกติเลยเมื่อมาถึงยุคสมัยของระสัมมาสมุทิจ้าของเราท่านเดมาบาังเกิดในตระกูลมลรกษัตย์ในมรัฐลลมีชื่อว่ายะสะทัท ต, ตะมาถึงวัยเรียนรู้ ทังกได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่เมืองตากศิลาหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วก็ไม่ได้ยินดีในความรู้เพียงเท่านั้นเพราะรู้ว่าในโลกนี้ยังมีความรู้ที่น่าศึกษาอีกมากมายโดยเฉพาะความรู้ที่เป็นไปเพื่อไดบ้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นท่านยังสแสวงหาไม่พบเลย จึงจักชวนปริภาชกชื่อว่าสพิยะเที่ยวสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเมติมท่านได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อหาครูเก่งครูดีแล้วกาทองชีวิตในการเรียนรู้ครั้งสำคัญของท่านก็มาถึงได้ข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีท่านยะสาทตะ กับปริภาชกสพยะก็เดินทางไปเข้าเฝ้าทันทีและต้องการศึกษาความรู้อันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่อการบรรุอมตนานิพพานเนื่องจากทั้งสองทราบว่ามีบัณฑิตนักปราชญ์พากันมากราบไหว้และมอบตัวเป็นสาวกแทบทั้งเมือง มยัสสะทัตตามานพและสัพพิยะปริภาชกเดลกาเข้าเฝ้าก็ทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์โดยสัพพิยะปริภาชกเป็นผู้ถามปัญหาส่วนยัสสะทัตตามานพเป็นผู้คอยจับผิดคําตอบของพระพุทธองค์ซึ่งหนังสือก็เด็นนั้นแน่กนรอว้แล้วว่าแม้พระบรมศาสดา จะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็จะไม่ปักใจเชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์อย่างง่ายๆต้องช่วยกันจับผิดในคำสอนนั้นเสียก่อนแต่ดูเหมือนว่าทุกคำถามที่สัพพิยะปริภาชกถามไม่มีคำตอบใดทิยาศาาธาตรมนพจะหาข้อบกพร่องใดเลยพุทธวิสัชนาแจมแจ้ง ชัดเจนทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็บื้องปลายเหมือนหายของที่คว่เพ้องหายก็รู้ว่าอะไรถูกครอบเอาไว้เห็นได้หมดถูกต้องและก็ชัดเจนพระองค์ทรงทราบแต่แรกแล้วว่าทั้งยัสสทธตามานพและสัพพิยะปริพาชกต้องการจะทดสอบภูมิปัญญาของพระองค์ จึงปิโกาศให้คนทั้งสองซักถามปัญหาอย่างเต็มที่รอบพระองค์ทรงมลสัพพัญยุตยานอันประเสริฐตั้งแต่สมัยที่หยุดใต้ควงม้าพระศรีมหาโพแล้วพระองค์ทร ง, งเป็นสัพพัญุูรู้แจ้งทาทั้งปวงเป็นผู้ไร้ปัญหามีคำตอบ ซึ่งพร้อมเสมอที่จะไขข้อข้องใจของผู้ปรารถนาความหลุดพ้นครั้นทรงทราบว่าทั้งสองหมดปัญหาที่จะถามแล้วจึงตรัสเตือนว่าการจ้องจับผิดวาทะของพุทธองค์นั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุมรรคผลนิพพานแต่การฟังด้วยความเคารพเป็นเหตุให้แด่ดปัญญาเพื่อการหลุดพ้นได้ เมื่อยสาสัทธตามานบรู้ว่าปรสสัมมาสมุุทธเจา้าทรงทราบการกระทําของพวกตนก็เกิดความอัศจรรย์ใจจากเดิมที่มีความประทับใจในการตอบคำถามอยู่แล้วคือจะมาเกิดความเริ่มสายมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็รู้สึกละอายใจ ที่ตัวเองไม่รู้จักพุท ธ, ธานุภาพจากนั้นยะชัตตมานบได้ทูลขอบวชเมื่อได้รับพุท ธ, ธานุญาตแล้วท่านกัป ร, ราลบความเพียรอย่างเต็มที่ไม่นานก็ได้รู้ธรรมเป็นพระอระหันต์เป็นผู้มีชีวิตสว่างสวยัยทั้งกลางวันและกลางคืนความสงสยัยใดที่มีอยู่ก็หมดสิ้นไปจากใจ เห็นไหมจ๊ะอาการฟังที่ดีนําไปสู่ปัญญาหลุดพ้นถ้าจับดีก็จะมีดวงตาเห็นธรรมแต่ถ้าฟังแล้วจับผิดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแถมยังมีโทษอีกด้วยแต่ฟังทําแล้วปฏิบัติตามธรรมชีวิตของเราจะสามารถพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นได้โดยเราจะสามารถ แก้ไขข้อบกพร่องในตัวเราเองได้ซึ่งการหเห็นข้อดีของผู้อื่นและข้อบกพร่องของตนเองและสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธทิภาพนั้นใครจะต้องมันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนายอย่างสม่ำเสมอละใจที่ใสใสที่ได้เข้าถึงธรรมะภายใน จะเห็นแต่ของใสๆและมีพลังใจในการพัฒนากายและวาจาให้ดีขึ้นได้ซึ่งจะส่งผลทำให้เราดำเนินอยู่บนเส้นทางสวรรค์และพระนิพพานได้ตลอดไปทุกภพทุกชาตินะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจเริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พ ร, ร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงัิญญาสว่างสวัยได้เข่าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน